ขอ oh, ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกาลังนำเสนอการธรกสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่พระพเจ้าทรงสนทนากับท่านกนรารธรกะบริพัชกและเปรสะบุตรของนายหัตถาจารย์คือบุตรของนายขวัญช้าง ก, ก่อนๆมาจบในประเด็นที่นายเปตสระท่านเสนอว่าระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยคือคนนี่เขาจะยากแต่ว่าสัตว์เข้าใจง่ายคนเป็นสัตว์โลกที่พูดอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งและทําอย่างหนึ่งได้แต่ว่าสัตว์ดิเรกชานั้นทําไม่ได้ แล้วก็ยกย่องสันเสริญพระพุทธเจ้าว่าในเมื่อมนุษย์เนี่ยรกชัดเป็นเดนเป็นกากเดนแล้วก็เป็นมกุฏโออวดเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ยังรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็ส่งประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนเหล่านั้นได้ จากนั้นพระเจ้าก็รับสั่งจำแนกคนในโลกออกไว้เป็นสี่ประเภทคือการจำแนกในแนวสี่ประเภทเนี่ยเาจำแนกหลายวิธีนะครับเกิดเราก็คงได้ยินเช่นปุกมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปหรือว่าสว่างมาสว่างไป บางครั้งก็อาจจะไปอุปมาเทียบเคียงกับสิ่งต่างๆไปเทียบเคียงกับดอกไม้บ้างไปเทียบเคียงกับแม่น้าบ้างเช่นเทียบเคียงกับดอกไม้ว่าดอกไม้บางชนิดรูปไม่สวยกลิ่นไม่หอมบางชนิดรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมบางชนิดรูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมบางชนิดรูปสวยด้วยแล้วกลิ่นหอมด้วยแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมา เทียบเคียงกับพฤติกรรมของมนุษย์การใช้อุปกรณ์ก็ใช้เยอะก็แล้วแต่ว่าอุปกรณ์อะไรอยู่ใกล้ในขณะนั้นก็สรงชายสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแต่ในที่นี้เอาพฤติกรรมอกรรมคือการกระทําของคนมาสะท้อน แล้วก็จำแนกคนออกโดยพฤติกรรมเป็นสี่ประเภทด้วยกันรับสั่งว่าดูกรเป็นสะข้อนี้เป็นอย่างนั้นก็สิ่งที่รกชัดคือมนุษย์สิ่งที่ตื้นคือสัตว์ก็แสดงพระเจ้าก็ทรงยอมรับนะว่ามนุษย์เนี่ยเขาใจยากแต่ว่าสาัตว์เขาใจง่าย จากนั้นก็ส่งจำแนกแสดงคนออกไปเป็นสี่ประเภทประเภทแรกคือทำตนเองให้เดือดร้อนประกอบขวนขวายในการทำตนเองให้เดือดร้อนก็หมายความมาสร้างปัญหาแก่ตัวเองอยู่ยด้วยเลยบางคนสร้างปัญหาแก่ตัวเองตลอดชีวิตถึงตาเรากลับไปเทียบกับกลุ่มบุคคลประเภท ต่างๆดังกล่าวแล้วก็เป็นคนประเภทมืดมาแล้วก็มืดไปก็เหมือนก็ดอกไม้ที่รูปไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมเหมือนแม่น้ำที่แคบด้วยแล้วก็ตื้นด้วยกับบุคคลประเภทนี้เราจะเห็นว่าบางทีเาก็สร de mm ้างปัญหาเขาอย่างนั้นน่ะเช่นยกตัวอย่างว่าวัยรุ่นที่ชอบซิ่งรถเนี่ยก็ทำตนเอง้เดือดร้อนและประกอบข้นขวายทา ตัวเองให้เดือดร้อนแต่ว่าการซิ่งรถที่จริงก็เดือดร้อนคนอื่นก็พลอยยเดือดร้อนด้วยนะคนริมถนนก็เดือดร้อนด้วยเจะวาพวกเกียร์ช้านพวกเล่นการพนันพวกสิ่งเสพติดเนี่ยแต่พอดีคนเรามันเป็นสัตว์สังคมคือยังไงยังไงมันก็ไปกระทบคนอื่นอยู่ด้วย บุคคลบางพวกเนี่ยคือทำบุคคลอื่ น, นเดือดร้อนแล้วประกอบขวนขวายในการทำบุคคลอื่ น, นเดือดร้อนตรงนี้ก็สร้างปัญหาก่อกวนสร้างความเดือดร้อนหาความสนุกบนความทุกข์ความเดือดร้อนของบุคคลอื่นก็อีกประเภทหนึ่งแล้วก็มีให้เราพบเราเห็นอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่อย่าลืมว่าเป็นการสะท้อนภาพบุคคลในสมัยพุทธกาล โดยเอา ก, กรรมคือการกระทํำของเขามาเป็นต้นแบบในการศึกษาแล้วก็กลายเป็นทางเลือกว่าคนสองประเภทนี่ควรเลือกไหมควรจะเลือกดําเนินตามเขาไหมคือเขามีอยู่อย่างนี้ในโลกเนี่ยเราไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้แล้วแต่การนํามาเป็นภาพสะท้อนให้ดูเนี่ยเพื่อเสนอว่า ควนดำเนินชีวิตแบบนี้ไหมที่ทําตัวเองให้เดือดร้อนแล้วก็สร้างปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องหรือว่าทําคนอื่นเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเนี่ยปุณธิมันกระจายกรอบมันออกไปนะจนบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่าเช่นการก่อการร้ายเนี่ยมันดูแล้วคล้ายๆจะเดือดร้อนเฉพาะบุคคลอื่นแต่แท้ที่ยืนตัวเองก็เดือดร้อนต้องคอยหลบคอยซ่อนคอยหนี เสียงภัยเสียงอันตรายในที่สุดก็ก็ยังไม่ค่อยเจอคนที่แก่ตายนะฮะส่วนมากก็จะตายไปก่อนแต่คนประเภทนี้มันก็มีอยู่ในโลกคนประเภทต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเมื่อ ร, รับสั่งประโยคเต็มเนี่ยสงชัคําว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ทำตนเองให้เดือดร้อนและประกอบขวนขวาย ในการทําตนเองน่าเดือดร้อนแล้วก็ทำบุคคลอื่นน่าเดือดร้อนและประกอบขนขวายในการทําบุคคลเหดือดร้อนก็หมายความว่าเดือ ด, mm. ด, ดร้อนทั้งสองฝ่าย mm. การเดือดร้อนทั้งของสองฝ่ายก็คือแนวผิดศีลทั้งหลายเนี่ยให้เราสังเกตว่าโดยเฉพาะศีลข้อแรกที่เป็นโลกวัชชะใครไปทําผิดศีลเหล่านี้แล้วก็เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายทุกที่ บันทีก็กลายเป็นอัดยกักษรรมเป็นศึกสงครามเป็นความรุนแรงแล้วก็มีให้เห็นยุคทุกยุคสมัยฟังข่าวดูข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุก็มีข่าวในลักษณะนี้อยู่บุคคลประเภทที่สี่คือว่าไม่ทําตนเองให้เดือดร้อนไม่ประกอบขวนขวายในการทําตนเองให้เดือดร้อน ไม่ทำบุคคลอื่ น, นเดือดร้อนไม่ประกอบขวนขวายในการทำบุคคลอื่นเดือดร้อนถึงก็หมายความว่าเป็นการพูดระดับศีลเป็การปฏิบัติตนในระดับนี้ก็คือเป็นระดับของศีลธรรมผู้ระดับการงดเว้นนะฮะงดเว้นบาปแต่แน่นอนเมื่อเขาอ ง, งดเว้นบาปมันก็เป็นการทำความดีระดับหนึ่งแล้วถึงจุดหนึ่งา ก, ก็ทำความดี แล้วก็ท่านเปตสะเนี่ยท่านก็กราบทูลยอมรับนะฮะว่าบุคคลผู้ทำตนในเดือดร้อนประกอบขนขวายในการทำตนเองให้เดือดร้อนไม่ยังจิตของข้าพระพุทธเจ้า้ยินดีได้แม้บุคคลที่ ทำคนอื่นเดือดร้อนประกอบคนขวายในการทําบุคคลอื่นในเดือดร้อนท่านก็ไม่ยินดีและยิ่งบุคคลประเภทที่สามิ่งแย่ใหญ่คือทําความไม่เดือดร้อนกับบุคคลทั้งสองฝ่ายท่านก็ไม่ยินดีแต่ก็ยินดีในบุคคลประเภทที่สี่คือที่เรียกว่า สนบุคคลใดผู uniform, to to food, to to ้ไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ทําไม่ประกอบขวนขวายในการทําตนในเดือดร้อนไม่ทําบุคคลเดือดร้อนไม่ประกอบขวนขวายในการทําบุคคลเดือดร้อนบุคคลผู้ไม่ทําตนในเดือดร้อนไม่ทําบุคคลอื่นเดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นหมายความมาท่านก็ดึงมาเอาดึงบุคคลประเภทที่4ออกมาว่าเป็นบุคคลต้นแบบ เพราะว่าเราจะเห็นว่าบุคคลประเภทแรกก็เบียดเบียนตนเองประเภทที่สองก็เบียดเบียนบุคคลอื่นประเภทที่สมก็เบียดเบียนนั้นตนเองและบุคคลอื่นคือไม่ได้เรื่องเลยสามประเภทเ น, นั่นก็ได้ประเภทเดียวแต่อย่าลืมว่าเป็นการพูดระดับสินธรรมเป็นการพูดระดับสินธรรมจัญญาไม่ใช่เป็นการพูดระดับสูงขึ้นไปนะฮะ พอสูงขึ้นไปเนี่ยบุคคลประเภทที่สามเนี่ยที่สี่เนี่ยมันจะต้องทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นและทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแล้วก็แก่บุคคลอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องของระดับอะไรเขาเรียกว่าระดับธรรมะถ้าเราเรียงตามโครงสร้างของบุญญาคุยาวัตถุก็คือระดับทานนะ รับทานเนี่ยทำประโยชน์แกตัเองด้วยทำประโยชน์แกบุคคลอื่นด้วยระดับศีลก็เป็นการงดเว้นแต่ระดับธรรมะเช่นเมตตาเป็นต้นเนี่ยสัมมาชีพเป็นต้นเนี่ยมันก็ทําประโยชน์แกตนเองแล้วก็ทําประโยชน์แกบุคคลอื่นเพราะงั้นก็คนประเภทเนี้มีอยู่ในส่วนใดของโลกก็จะกลายเป็น เป็นคนที่ไม่มีความหิวคำว่าไม่มีความหิวในความหมายเนี่ยมันเน้นไปที่จิตไม่ถูกครอบงาด้วยกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะประเภทตัณหาทั้งหลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพระใ จ, จ ย, ยังหิวเนี่ยมันก็อดไม่ได้อดไม่ได้ที่จะอยู่ในสามประเภทแรก เพราะปัญหาเดียกรรมทั้งหลายที่เราปรากฏเราจะพบว่าเป็นเรื่องความโลภเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากความโลภแม้แต่ศึกสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นหมายุทธสงครามโลกสองครั้งหรือหมายุตรสงครามในประเทศอินเดียที่เกิดขึ้นเรื่องรามายณะก็ดีมหาภาราตยุทตก็ดีเกิดถ้าเราดูใหดีก็เป็นเรื่องของความโลภเป็นโลบหลงนะโลภหลง โลภก็หลงแหละถ้าถ้าไม่หลงก็ไม่โลภหรอกเพราะนคนประเภทเนี้ก็กลายเป็นเรียกว่าไม่หิวก็ดับสนิทคำว่าดับสนิทตามปกติแล้วจะใช้ในความหมายที่สมบูรณ์เพราะว่าถ้ายังไม่เป็นพระหรันมันไม่สนิทอะแต่ว่าตรงนี้ก็ดับสนิทตามสถานะ มันเหมือนกับคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะไม่ประพฤติผิดในทางเพศวันมีเหตุปัจจัยอะไรกระตุ้นให้คิดล่วงละเมิดในทางเพศมากระตุ้นเข้าใจก็เย็นสงบคือไม่ออนไหวไปกับเรื่องเหล่านั้นระดับสีนเ็าเรียกว่าสมุเฉทวิรั คืองดเว้นแบบตัดขาดแต่ว่าตัดขาดระดับศีลนะฮะก็ถามว่ามันมีโอกาสจะหวั่นไหวไหมที่จริงก็มีอยู่ถ้าโดนกระแทกแรงๆนี่ก็มีเพราะคนที่จะไม่หวั่นไหวได้เนี่ยกิเลสต้องขาดนะอย่างพระโสดาบันท่านก็ไม่หวั่นไหวระดับโสดาบันแต่พวกฌานนี่จริงๆถ้ากระแทกแรงๆก็ยังหวั่นไหวนะ วันชาญก็ไม่จะดับเย็นสนิทแลยเพียงแต่ว่าในที่นี้เป็นการพูดเรื่องต้องมองย้อนกลับไปที่ที่พื้นฐานความคิดคือเป็นคือหัตถินุ่งผ้าขาวก็หมาความว่าเป็นการพูดระดับชาวบ้านเพราะวันอยู่ในบวชเครื่องอ บ, บดีวักนะคือเป็นสูตรที่ว่าด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยทั่วไปเป็นอาคาลิกะ หรือเป็นผู้ครองเรือนแล้วเป็นผู้เย็นก็เย็นกายเย็นใจระ ง, งับเวริระงับภัยระ ง, งับอันตรายแล้วก็สวยสุขทีนี้มันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของสติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏฐานทั้งสี่นั่นเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนา แต่ประเด็นที่ท่า น, ท, านท่านเปิสศึกทนเน้นนี่ยเน้นระดับของสมถะแล้วก็ระดับของธรรมะปฏิบัติซึ่งมันก็มีได้สองระดับนะระดับหนึ่งก็คือระดับพรหมมิหารระพรหมวิหารก็ถือว่าเป็นพรหมใจที่มีมองสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเนี่ยด้วยความเป็นมิตรเขาเรียกว่ามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ มองสัพพชีวิตก็เป็นมิตรกันพอใครประสบทุกประสบภัยประสบอันตรายเราก็เกิดกรุณาพอใครประสบความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จได้ลาบยศสันสนุขเราก็มุติตาพอใครเป็นไปตามผลของกรรมทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีมุติตาไปแล้วนะฮะเมื่อท่านยั่งยืนอยู่ในความดีเราก็อุเบกขาฝ่ายไม่ดีนั้นก็มองในแง่กฎของกรรม ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามกรรมแล้วก็ไม่แกล้งดรวยอา น, านาจนักติไม่เกิดความยินดียินร้ายอีกระดับหนึ่งเนี่ยคือท่านบอกว่ามีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันพรหมในปัจจุบันก็คือมีพรห ม, มิหารธรรมอย่าลืมว่าพรห ม, มิหารธรรมเนี่ยเป็นธรรมปฏิบัติที่ไม่ใช่ธรรมดานะ เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวคือถ้าเราทําได้เราจะลืมว่าปฏิปักษต่อพรหมิหารเนี่ยเรียวกว่สกาสึกใกล้ขั้วสึกไกลของพรหมิหารขาสึกใกล้ของเมตตาก็คือคือกามราคะคือความกำหนัดโดยอำนาจความใคร่เปมะความรักเ g e o m e t เปมะความรักในฐานะที่เป็นครอบครัวเรียวกว่าความรักอันใยเรือน ซึ่งโอกาสที่จะแกวงเป็นอคตินี่มันแกวงไปได้ง่ายแสดงว่าเป็นค่าศึกต่อเมตตาและเราไม่รู้นะฮะปกติคนไม่เคยรู้ว่าเป็นค่าศึกเพราะว่าลักษณะมันคล้ายกันคล้ายกับเมตตาแต่ถ้าเราวิเคราะห์จิตคือดูที่จิตเนี่ยจะเห็นว่าเมตตานั้นมีความเป็นสัตว์เนี่ยเป็นอารมณ์สัตว์ทุไปเนี่ยเป็นอารมณ์แต่ว่าการมราคะนี่มีความการกาหนด ความสวยงามความประณีตของรูปของเสียงของกลิ่นของรสอะ่ะก็แล้วแต่บางทีก็อหมดบางทีก็อาจจะไม่หมดหรอกแล้วก็มุ่งไปในทางปลดปลื้ตัวเองหมายความบำบัดความปรารถนาภายในใจของตัวเองที่บังเกิดขึ้นคือถ้าเราไม่จำแนกให้ดีก็จะคิดว่าเออเราก็มีเมตตาต่อเขาที่จริงไม่ใช่ พวกเหล่านี้ถ้าเป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยมันจะเพิ่มความต้องการมากขึ้นถ้าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยเราจะเกิดโทสะแต่เมตตาเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะ่ะคือถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการใจจะเป็นอุเบขาอาจจะอยู่ที่กรุณาอาจจะอยู่ที่มุติตาจะอยู่ที่อุเบขาก็แล้วแต่กรณีนะฮะตามปกติแล้วก็มักจะไปที่อุเบขาทีนี้ขั้นสึดตรงกันข้ามของเมตตาจริงๆเนี่ยคือโทสะ คือความประทุษร้ายความโกรธความพยาบาทความอาฆาตก็แล้วแต่เป็นพวกกิเลสประเภทโทสายทีนี้กรุณาเนี่ยมีคั้สึดใกล้ก็คือเขาเรียกว่าโสกจิตคือโสกจิตไอจิตมันจะโศกแล้วคั้สุดที่ตรงกันข้ามจริงๆเนี่ยคือวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียน แล้วลองสังเกตว่าบางครั้งเี่เราเกิดกรุณาต้องการไดช่วยเหลือเขาให้หลุดพ้นจากความทุกพยายามเต็มที่แล้ ว, ลวก็ไม่สามารถจะช่วยได้เราเสียใจนะเกิดความโศกความเสียใจร้องไห้คือบางทีเราก็นึกว่าการุณาแต่ลองสังเกตว่าโศกะนะั้นมันเป็นทุกข์สัตย์นะโศกเป็นทุกข์สัตว์กรุณาเป็นมรรคสัตย์กรุณาเป็นมรรคสัตว์ มีสัตว์ที่ประสบ ค, ความทุกข์เป็นอารมณ์เบียดเบียนนั่นก็เป็นจิตที่มีโมหะมีโทษะคือมันมันเป็นคือมองแล้วมันเป็นสัญชาตญาณดิบของสัตว์สัตว์โลกนี้ชอบดูความพิบัติดูความเบียดเบียนประทุษร้ายกัน ก่อนก่อนดูรายงานข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะในวันที่ทลายวันที่สี่ก็ปรากฏว่ามันก็มีพิจารณักพิจารณ์ก็บอกว่าปรากนที่ฟลอริดากับที่โอไฮโอเนี่ยก็เกิดเป็นห่วงคือเกิดสงสารท่านประธานาธิบดียอดบูธเข้าก็เลยก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้ชเสียงก็ทำให้บูทชนะ ว่ยังนึกว่าเออผมพูดไปแดงไงคือการเลือกตั้งเนี่ยเขาเลือกตั้งตามความรู้สึกเขาเนะเขาเพอใจใครเขาเลือกคนนั้นน่ะมันเป็นสิทธิเขาเขาทาหน้าที่ของเขาไม่ใช่คุณต้องการชนะก็คือฝ่ายหนึ่งอย่าไปเลือกตั้งต้องเลือกตั้งฝ่ายเคดีอ ย, อย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะไปพูดอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าเราก็ละทิ้งฐานจริงๆริงฐ า, านจริงๆคือการใช้สิทธิของพลเมืองในการเลือกผู้นําของตัวเองตามระฐบัญญัติที่ปไตย ตัวมีความเชื่อมั่นในใครก็เลือกไปใครผ่านขั้นตอนมาถูกต้องกว่านั้นก็ชนะมาจะปีกันเมืองนั้นอย่าเลือกเมืองนี้อย่าเลือกกลุ่มนั้นอย่าเลือกกลุกออกก่มนี้อย่าเลือกไอเลือกจะเพาะกลุ่มนี้เพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งชนะอย่างนั้นมันเป็นอคติแล้วเป็นการลำเอียงแล้วเป็นการบีดเบียแล้วที่จริงนั่นก็คือการิบัติธรรมยอย่างหนึ่งอะเพราะงั้นเรื่อง ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันอดที่จะเจอกิเลสไม่ได้อดจะเจอความยินดียินร้ายไม่ได้วนยมุติตานั้นมีค่าสึกใก้เนี่ยเ่็การต้องการมีมีผลประโยชน์ร่วมต้องการมีส่วนแบ่งในผลประโยชน์เพราะนี้ขอร่วมสุขฮะแต่ไม่ขอร่วมทุกข์เราจะเห็นว่า มือทีตาก็มีลักษณะร่วมสุขแต่ต้องการแสดงความยินดีกับเขาที่เขามีสุขทมเราต้องการได้อะไรไหมไม่ต้องการได้แต่ต้องการจะเห็นเขามีสุขทีนี้ส่วนอุนายะคือการต้องการมีส่วนร่วมเนี่ยคือเราไม่ได้อย่างที่เขาได้แต่เราขอแบ่งจากเขาที่เขาได้ คือเป็นเ็าเรียกเป็นความปรารถนาเป็นโลภะอย่างหนึ่งเป็นอาการเขาโลภะอย่างหนึ่งอุเบกขานั้นมีค่าสึกที่ใกล้ข่าสึกที่ใกล้ก็คือความลำเอียงที่ออกมาเป็นรูปของอคติของอคติในด้านาต่างๆแล้วก็มีความยินดียินร้าย ความยินดียินร้ายที่จริงก็เรียกว่าเป็นพัฒเป็นความความรู้สึกคือยินดียินร้ายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของจิตมนุษย์แตทั้งหมดแล้วก็บริหารความยินดียินร้ายให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องยินดีในตัวกรรมอ่ะอย่าไปยินดีในตัวคนยินดีในตัวความดีนะฮะยินร้ายในตัวความชั่ว ก็สร้างสรรค์พัฒนาที่มันยุ่งเนี่เราไปยินดีในตัวที่เป็นรูปวัตถุคือไปยินร้ายในตัวคนในตัวสัตว์ในตัวสิ่งตามปกติแล้วตัวสิ่งไม่เคยยินร้ายอะไรอ่ะถ้าคนปกติเนี่ยแต่ถ้ายินดีแล้วก็ยินร้ายในยินดีในสัตว์ในคนในคนในสัตว์แล้วก็ในสิ่งพอไอ้สิ่งมันกอย่างชัวหน่อย แต่บางคนศาสตร์เนี่ยอดแขวงไม่ได้อดแขวงเป็นอาักาติไม่ได้เพราะโดยพื้นฐานของจิตที่อยู่ในศีลเป็นการผู้ระดับศีลคือไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมล้วก็อยู่ด้วยพรหมธรรมก็อยู่ด้วยพรหมิหารก็มีความสงบเย็นสวยสุขอยู่ในปัจจุบัน ทนี้ถ้าเข้าไปในกระแสของสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นระดับของฌานรูปฌานเพราะว่าอย่าลืมมาสัมมาสติเนี่ยสติปัฏฐานคือสัมมาสติไออาตาปีเนี่ยมันก็คือสมาวายมะแล้วก็สัมมชัญญะก็คือสมาธิฏิสมมาสังกัปปะเพราะตรงนั้นก็ที่จริงก็คือเป็นสมาธิฏิสมมาสังกัปปะสมาวายมะสัมมาสติ มันก็สร้างเป็นสมาธิพอเกิดสมาธิขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็เป็นฌานเป็นฌานก็ในสภาพจิตที่มีฌานเนี่ยก็มือก็พรมคือจะไม่แกว่งไปด้วยอำนาจของกิเลสเพราะว่าจิตอยู่ด้วยองค์ฌานที่เป็นกุศลธรรมเพราะในที่นี้ท่านเปตสะก็พูดว่า มีตนเป็นดังพรมอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้ย่อมยังจิตของข้าพระพุทธเจ้ายินดีก็สแสดงพระพุทธเจ้าเสนอตัวเลือกมาสี่ตัวนะฮะก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งอะ่ะท่านเปตสัท่านก็รู้จักคนทั้งสี่ประเภทสมมติว่าคนภายในบ้านเราเนี่ย คนหนึ่งสร้างปัญหาแก่ตัวเองอยู่เรื่อยเลยคนนึงสร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นเรื่อยเลยคนนึงสร้างให้ปัญหาทั้งแก่ตนเองและแกบุคคลอื่นเราไม่ยินดีหรอกอาจจะไม่เกิดโทสะอาจจะเกิดสงสารหรือเกิดอุเบกขา <S 2> <S 2> แต่โอกาส <an> ที่จะยินดีกับเขาในยินดียากแต่ที่มีลูกหลานกลุ่มหนึ่งทึ่แกไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลอื่น แล้วก็สิ่นชงกันแก่เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดานะเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องอะไรก็ได้องค์กรหน่วยงานต่างๆก็ได้สะท้อนภาพเหล่านี้เสนอออกมาก็เป็นตัวเลือกทีนี้ต่อมาเนี่ยพระเจ้ากระรับสั่งว่า ลูกคเปรสก็เพราะเหตุไรล่าบุคคลสามพวกสามจําพวกนี้จึงยังจิตของท่านให้ยินดีไม่ได้แต่มาความสามประเภทแรกอะสามประเภทแรกทําไมจึงไม่ยินดีท่านเประท่านมองในแนวที่เรียกว่าเป็นวิถีโลกอย่างยกตัวอย่างนะว่าเป็นอัตานาลังกบังก่าร์ตะว่าเกิดทำตนไปดูมาเทียบเทียงตัวนี้แปลกที่เราคิดกันไม่ได้ ก็อาจจะคิดได้นะฮะแต่ทำไม่ได้ยังนึกถึงการฆ่าความรุนแรงต่างๆอย่างวันที่สี่ต่างสามจังหวัดพักได้นะฮะแต่ว่าที่อื่นก็เยอะเหมือนกันมีคนถูกฆ่าตายทั้งเจ็ดค น, น 3, พระก็ถูกยิ ง, งนายตำรวจก็ถูกยิงเนะบียดเบียนทั้งตนเองเบียดเบียนนบุคคลอื่น แล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศชาติก็เสียหายวันที่สื่อสารมวลชนก็ใช้คบว่าโจรใต้นะฮะเราก็สยองเลยเอ๊ะทำไมตังพูดอย่างนี้นนะมันคนเพียงเล็กน้อยนะเพียงไม่กี่คนเดา น, นั้นเองก็อย่างท่านแม่ทัพภาคสีนี่ก็บอกว่าคนอิสลามนั้นก็เรียกว่าเกกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยงมุเ ป, นนเป็นคนดี แล้วคนที่ที่ทําอย่างนั้นที่จริงเราจะเรียกว่าพุทธเรียกว่าคริสเรียกว่าอิสลามมันไม่ได้เราคือไม่ได้ไปฏิบัติตามหลักของพุทธของคริสของอิสลามมันเป็นการปฏิบัติตามกิเลสตามอารมณ์ของตัวเองเราจะโยนในเป็นความผิดของศาสนาใดศาสนาหนึ่งไม่ได้ถึงแม้นคนเหล่านั้นจะอ้างศาสนาแต่เราเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ได้เรา เออจึงศาสนาก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นถ้าเผื่อว่ามีเอกสารอะไรบอกว่าศาสนาสอนอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าคุณบิดเบือนแล้วเพราะศาสนาหลักเนี่ยมันจะต้องอนุเคราะห์โลกสาระถะของของความเป็นศาสนานเรียกว่าอนุเคราะห์โลกเรียกว่าโลกาโนกรรมประ ก, กะคือทำหน้าที่อนุเคราะห์โลก ถ้าการเบียดเบียนประทุสลายทั้งสามประเภทนี้เราจะเห็นว่าไม่อนุเคราะห์ต่อตอนเองไม่อนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่นแล้วก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นพระท่านเรตสะท่านก็บอกว่าบุคคลที่ทําตนให้เดือดร้อนประกอบผลขวายในการทําตนในเดือดร้อนเนี่ยเขาย่อมทําตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนเล่าร้อนด้วยเหตุนี้ บุคคลนี้จึงไม่ยังจิตของข้าพระพุทธเจ้าว่ายินดีได้แม้บุคคลนี้ทําคนอื่นเดือดร้อนประกอบขวนขวายในการทําบุคคลอื่นเดือดร้อน <c oughs> เขาก็ย่อมทําผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนร้าวร้อนหรือสร้างปัญหาแก่คนอื่นือไปชื่นชมกับคนเหล่านี้ก็ไม่ได้หรอกเพราะะไรเพราะถ้าเราชื่นชมก็แสดงว่าจิตเรามีวิหิงสาคือจิตมีความเบียดเบียน เคยพบหลักฐานนะคือก็ตั้งปัญหาถามว่าไ อ, ไอ้ย ม, มาบาลยมทูตเนี่ยทำไมจึงไปเกิดไปเกิดอยู่ในนรกมันไม่ใช่สนุกนะอยู่ น, านารกเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่สัตว์นรกก็ตามท่านเล่าว่าคนเหล่านี้ชาติก่อนเนี่ยพอใจยินดีในความทุกข์คือเห็นการเบียดเบียนการประทุษร้ายการทรมานการทรกรรมอะไรต่างๆแล้วมันรู้สึกสะใจ รู้สึกสะใจที่ได้เห็นการทรมานสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การประทุษร้าย ก, การลงอาทยาต่างๆเนี่ยฮะซึ่งตามปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ยินดีที่จะดูที่จะเห็นที่จะฟังวันก่อนนี่มีคนส่งอะไรเรียกซีดีนะฮะซีดีมาให้ภาพของการฆ่าตัดคอที่ตะวันออกกลางก็รู้สึกในอิรักรูไปนอนก็ดูไม่ได้ รู้สึกสงสารคือคนที่น่าสงสารคือผู้ฆ่านี่น่าสงสารมากกว่าผู้ถูกฆ่านะฮะจริงคือผู้ถูกฆ่าเนี่ยเขาจะทุกระยะสั้นเขาตายไปแล้วก็จะไปตามกรรมของเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ฆ่าใครนะฮะไม่มีบาปกรรมรุนแรงแต่ผู้ฆ่าคนอื่นที่ทุกข์ทรมานเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเป็นสุขในเมื่อความชั่วยังไม่ให้ผลพอความชั่วให้ผลเนี่ยเขาจะประสบความทุกข์ ทั้งชาตินี้และชาติหน้าแล้วก็หลายๆชาตินะฮะเพะนั้นถ้าเรามองให้ดีแล้วที่จริงผู้ฆ่าเนี่ยน่าสงสารกว่าผู้ถูกฆ่าแต่ผู้ถูกฆ่าเราก็สงสารเพราะว่าลูกเมียครอบครัวญาติพี่น้องเขาเนี่ยประสบการณ์พระพราสูญเสียอย่างแรงนะแล้วก็นี่กะลามปาลมาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยก็หลายหลายหัวแล้วก็ตัดหัวไป ทีนี้บุคคลประเภทประเภทที่สองเนี่ยบอกว่าแม้บุคคลผู้ทําผู้อื่นในเดือดร้อนประกอบควนขวายในการทําผู้อื่นในเดือดร้อนเขาก็ยอมทําลายผู้อื่นจึงรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนเล่ราร้อนปัญเอะแนตวตรงนี้ตั้งแต่โบราณที่ เ, เราพูดมาเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันไดคนอื่นก็รักสุขเกลียดจังเกลียดสร้างความทุกข์เช่นเดียวกันฉันนั่งเราะงั้นก็ให้ทํททททททาตนเองเป็นอุปมาแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่น ไม่เบียดเบียนนั่นตนเองและบุคคลอื่นเกณฑ์ของเราก็คืออยู่ที่เกณฑ์ศีลเกณฑ์ศีล น, นี่คือไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเพราะในประเภทเหล่านี้ยบางทีทรงจําแนกไว้ตั้งเก้าประเภทฮะจำแนกไว้เก้าประเภ ท, แ, เภทแต่ในที่นี้ทรงจําแนกไว้เพียงสี่ประเภทสีประเภทหมายความว่าไปเชื่อมกับประเภทศีลไปเชื่อม ก, กับศีลไว้เพียงประเภทเดียว เพื่อไปการสอนระดับศีลหรือสามประเภทแรกมันไม่มีศีลนะ่ะไม่อยู่ในกรอบกฎหมายไม่อยู่ในกรอบของศีลนี่ท่านก็บอกว่าแม่บุคคลผู้ทําตนเองตนให้เดือดร้อนและประกอบคนขวายในการทําตนใ น, ในเดือดร้อนทําผู้อื่นในเดือดร้อนและประกอบคนขวายในการทําผู้อื่นในเดือดร้อนเขาย่อมทําตนและผู้อื่นถึงรักสุขเกลียดทุกข์ ให้เดือดร้อนเร่าร้อนด้วยเหตุนั้นบุคคลนี้จึงไม่ยังจิตของข้าพระพุทธเจ้ายินดีได้ก็แลบุคคลผู้ไม่ทําตนให้เดือดร้อนนะฮะนี้คือประเภทที่สี่ไม่ประกอบขวนขวายในการทําตนให้เดือดร้อนไม่ท enfin ํา anyway. ผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบผลขวายในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาย่อมไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ทําบุคคลอื่นเดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็น สเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรมอยู่ในปัจจุบันโดยเหตุนี้บุคคลนี้ย่อมยงังจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้ยินดีได้พระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกว่าคุยกันหลายเรื่อง น, นะฮะคุยกันหลายเรื่องก็กราบทูลลาการกราบทูลลาเนี่ยก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปในะบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีจิตมากมีธุระ ที่จะต้องทรมากก็มาสทนทนาธรรมะบรรยากาศบรรยากาศนี้ดีได้เกินอบอุ่นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสด า, า, า, าผู้เอ็นดูจ ร, จริงๆยังนึกยังฝันนะนะยังฝันว่าทํายังไงเราจะดึงบรรยากาศวัดที่มีลักษณะสะอาดสงบแล้วก็โปร่งสว่าง ตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญานะฮะสะอาดสงบสว่างเนี่ยเป็นกสินสมาธิปัญญ า, นะ า, า, ม, า, ญญามันเป็นความฝันถึงโครมิราชนารินเนี่ยมาเวลาพูดถึงเรื่องนี้มันมอดอดนึกถึงถึงโครงนิราชนารินไม่ได้ว่าเป็นการสร้างเป็นบรรยากาศที่งามเหลือเกินสงบเย็นเหลือเกินก็ โครงบาทที่สองนะเรื่องเรืองไตรรัตน์พ้นผันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเชา้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์วัดเป็สงกนะวัดเป็นสงบนะ ว, วัดสะอาดวัดไม่ยึกเจินโบสถ์ระเบียงโมโดพื้นภัยหารธรรมมาตร า, าราลานพระแผ่นนี้เห็นความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ขอใจด้กขังขานภายค่ำไข่พระทิพพมแก้วกำฟ้าเฟือนจันทร์ภารกิจของวัดมันก็คือบังบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองแต่ภารกิจเหล่านี้มันหายไปคือเวลานี้ยเราก็เรียกว่าเกือบทาไม่ได้เลยนัตมามีงานบรรยายธรรมะือเทศมาตั้งแต่ปศสองพันารสิบเจ็ดนะครับ แล้วก็บัญญัติรวมกรรมฐานในวันเสาร์มาตั้งแต่ปะสอสพันหนึร้ยิบเ็ดจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไปไหนไม่ได้เวลานี้มีบางทีมีเรื่องมากก็ให้ลูกสิษเขาช่วยเป็นโอกาสเป็นบางครั้งบางคราวไปแต่คนมันไม่เพิ่มครับคนวันอาทิตย์ก็อย่างมากทั้งยี่สิบห้าสามสิบเนี่ยสามสิบนี่มากค น, นเสาร์แต่ก่อนเนี่ยอาจจะถึงสองร้อยกว่าถึงสามร้อย เดี๋นี้มันก็อยู่ไม่ถึงร้อยก็เจ็ดแปดสิบแต่แต่เนี้ยเดี๋ยวคนก็ซ้ำนะแต่อย่าลืมว่าวันทั้งวันนะคือเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะพ อ, พ อ, พ, อพอเราก็ทํางานตรงนี้เราก็ไปไหนไม่ได้แล้วการเดินทางเวล น, นี้มันก็ลําบากคือไปมาเนี่ยมันช้ามากตอนมากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยเคยเทศได้วันบางทีตั้งหกเจ็ดแห่ง น, นะเทศได้สวนเทศไม่ได้ติดรถไปไม่ได้ นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าราชการไม่กลับมามองทบทวนตรงนี้แล้วก็เน้นไปที่การพัฒนาสองด้านนะด้านความรู้ดีกับความประพฤติดีแต่ความคิดดีความสามารถดีจะาตามมาเองไม่ต้องไปยุ่งให้รู้ดีเถอะรู้ดีก็คิดดีสามารถดีเองแต่เราอย่าลืมว่าความรู้ความคิดความสามารถอย่าต้องกำกับด้วยคุณธรรม เพรความรู้ความคิดเนี่ยเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้กลางๆ ก, ก็ได้แต่ตัวคุณธรรมเนี่ยมันเป็นกุศลแท้มันต้องไปกำกับหมดตั้งความรู้ความคิดความสามารถทีนี้เวลานี้เราสื่อสารกับโดยเฉพาะผู้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอัตราเขาใหญ่มากๆเลยพูดยากจังเลยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยดูอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยอัตราใหญ่มากคือเขาถูกอยู่คนเดียว ย่งพวกปฏิรูปการศึกษาเนี่ยที่เป็นเหตุเลยต้องเกิดสนักพุทธเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ยอมฟังเลยนะทั้งๆที่เราเอาประวัติศาสตร์มากางให้ดูเลยบอกบ้านเมืองแต่ยุคแต่ละสมัยมากางให้ดูเลยก็ก็ไม่เชื่อก็ไม่ฟังมันก็พูดยากนะเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่เคยเจอภาคสนามจริงๆคือไม่เคยอยู่ภาคสนาม แต่พระนี่เคยอยู่ภาคสนามด้วยนะภาคภา ค, ภาคทฤษฎีด้วยพระเคยเคยข้าไปทํางานเคยอยู่ในปนัญหาต่างๆแล้วจะเห็นว่าคกล้ๆเหตุการณ์ที่ตักไปเนี่คยคือคนไม่นึกถึงภาคสนามก็ไปคิดจากที่ตัวเองคิดนะแต่ภาคสนามที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นมันเหมือนกับเราคิดจากข้างเวทีแล้วก็ดูมวยต่อยข้างบนเนี่ยมันกพูดได้นะต่ออย่างนั้นต่อยอย่างนี้นอกไปเลยแล้วก็พูดได้ แต่คนที่อยากชนะมากที่สุดเนะี่ยคือมวยที่ต่อยนะ่ะแต่ก็ต่อยไม่ได้เพราะคนอื่นก็มีมือเหมือนกันเขาเรียนมาเหมือนกันเขาฉลาดเหมือนกันนะแม้แต่นักกีฬาอะไรแต่อะเช่นพราดอนอย่างเงี้ยเราก็พูดอย่างงั้นอย่างนี้อย่างโน้ น, นะฮะคือจะลืมว่ามันเอาคนเก่งกับคนเก่งมาสู้กันเนี่ยตอนนั้นใคร เ, เก่งกว่านะเก่งบวกเฮงด้วยนะะเราใครจะเก่งกว่าเพราะะฉนนั้การการมองตรงนี้ยเราลองสังเกตว่าท่านเปรตสะนี่ท่านมองจากภาสนามด มันเป็นประสบการณ์ตรงของท่านท่านเกี่ยวข้องกับข้าท า, าสบริวารต่างๆสารพัดแล้วท่านก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นพวกคนนี่เขาจะยากแต่สัตยศาสตร์นี่เขาจะง่ายเพราะงั้นคนเหล่านี้ทั้งคนทั้งสามประเภทเนี่ยแต่เราพูดง่ายๆก็คือไม่มีความคิดขาดความสำนึกขาดความรับผิดชอบ ถ้าถามมาเขามีความรู้ไหมบอกก็มีความรู้มีความสามารถไหมก็สามารถเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนปวดไม่หมดได้เลยแต่เขาไม่มีความคิดเขาอาจจะคิดแต่เขาไม่มีคุณธรรมแน่นอนคือตัวคุณธรรมเนี่ยไม่มีความสานึกที่จะคิดว่าเออคนอื่นเราก็รักสุขเกรียดทุกนะคนอื่นก็รักสุขเบียดทุกเนี่ยไม่มีอยู่ให้คิดเพราะก็คิดตรงนี้ไม่ได้นะเขก็ทาในลักษณะนั้นก็ แลปะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีอยู่ในบ้านในเมืองเรานี่ทุกวันมันไม่ใช่พูดเรื่องเหตุการณ์สมัยพุทธกาลได้พูดเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานีนะ้เราจะเห็นว่าเราเราอาจจะไปไปนั่งมองที่ถนนสักแห่งหนึ่งมองตงน้นไม้สักแห่งหนึ่งเราจะเห็นเลยคนเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนขวนขวายในการเบิดเบียนตัวเองให้เดือดร้อน เบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนคนขวาในการเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายดังแรงเริงรมทั้งหลายต่างๆที่ไปเต้นไปอะไรไปเมาไปอะไรกันเนี่ยที่ก็ยกพวกตีกันอะไรต่างเนี้ยมันก็เห็นชาัดภาพชัดว่าขาดความคิดอย่างที่ท่านเปสะบอกให้คิดเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดว่าคนอื่นเกลียดสุขเกลียดทุกข์เราก็เกลียดทุกข์ แต่ว่าเราก็หาความสุขบนความทุกข์ของบุคคลอื่นแล้วในสุดเองเราก็ไม่ประสบสุขคนอื่นก็ไม่ประสบสุขเอาขัดแย้งกับพื้นฐานของความคิดที่รักสุขเกลียดทุกข์นี่ก็เป็นคนเป็นบทคุยนะบทคุยบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับท่านเปตสะก็เป็น คุยกันแล้วท่านก็อนโมทนาตุนา อ, น, อนโมทนาต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ก็อธิบายตามปกติแล้วพวกนี้จะสันเริญพระธรรมเทศนาในสามแนวว่าเบือนไายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางสองประชีพในที่มืดไปหวังว่าคนมีจักษุก็จะเห็นเห็นแสงสว่างแต่ว่าตอนนี้ท่านท่านก็ไม่ได้ยกมานะฮะนี่เป็นตอนหนึ่งนะฮะ คือตอนหนึ่งคือเอาเฉพาะที่คุยกับท่านกันธลกะกับท่านเปสะแต่ว่าธรรมเทศนาส่วนนี้ยังยังมีข้อความที่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายที่ประลบตอ่อเนื่องกันมาจากเหตุการณ์นั้นอีกต้องฟังทั้งหลายฉึงั้นทจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณใาธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี